Book two. 2ยี่สิบในโรงแรมการร้องเรียนดีโฮเทลเพงาฝักบัวใช้งานไม่ได้ Pancuran a i r a tidak berfungsi ไม่มีน้ำอุ่นไม่มีอุ आ आ आ ่นไม่ a ีนอุ่นไม่มีุ่มาซอ่มมันอไมมน้ไหมคร้บอุ่นไม่มีน้ำอุ่นไม่มีน้ n อ a ่นไม่มีน้ำอุนไม่มีนห้องไม่มีโทรอัพท์ม่มีน้อุ่อนไม่ม้อุนไม่มีน้นมน้อไม่มี้อุนไม่มี <t ada t e l e v i s i di kamar ห้องไม <my> ่ม <ing> ีระเบียง kamarnya tidak memiliki balkon ห้องน si ี้เดัง <pai> เกินไป kamarnya terlalu berisik ห้องน <leg> ี้เล <pai> ็กเกินไป kamarnya terlalu kecil. ห้องนี้มืดเกินไป kamarnya terlalu gelap เครื่องทาความร้อนไม่ทางานเครื่องปรับอากาศไม่ทางาน Peningin ด u a n g a n ห y a t i d น k berfungsi โทรทัศน์ไม่ทางาน t e l e ว i s i nya rusak ผมไม่ชอบเลย saya ม i d a k m e n y ันแพงเกินไปมันแพงเกินไปม t u terlalu ไ a h a l u n t u ก saya คุณกมีนะไรมี่ถูกักว่านี้ไหมครับ Apakah anda punya sesuatu yang lebih murah? ที่พักเยาวชนใกล้ที่นี่มีไหมครับ .apakah di sekitar sini ada penginapan murah untuk pelajar? มีเบรคแอนด์ใกล้ที่นี่ไหมครับ apakah di sekitar sini ada penginapan murah? มีร้าน ahan ใกล้ที่นี่ไหมครับ apakah di sekitar sini Ada restoran.